พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะดิฉันสันสนีนาคพงศ์นะคะก็มาพร้อมกับรายการสรันสนีสนทนาสนทนาธรรมให้ท่านทั้งหลายนักการเข้าถึงคําตอบต่างๆที่มาจากหลักคําสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้โดยมีธมหาภัยบุญอภิปุโนประสงค์ซึ่งอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธานีนะคะทั้งศึกษาในเรื่องของปริยัตแล้วก็ทั้งในด้านของการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดการสอนให้กับผู้ที่สนใจไปหลีกเรน์กันอยู่เป็นประจำทุกเดือนทั้งหลักสูตรที่เป็นภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราจะไปกราบนมัสการท่านกันก่อนเดี๋ยวนี้เลยค่ะนมัสการค่ะท่านคะเชบานค่ะเดี๋วเชนก็เห็นเขามีการเปรียบเทียบคุณพ่อคุณแม่การบางลักษณะนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นพระอารหาันต์ของบุตร บางคนก็บอกว่าเป็นพรหมของบุตรอืมเอาแค่สองอย่างเนี้ยเดยฉันก็คิดว่าเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอื ม, อมเพราะว่าเราก็มีการกล่าวถึงทั้งพรหมทั้งอรหันนะนะคะอยากทราบว่าในมุมมองของพระพุทธศาสนาแล้ววิดามารดานี่ควรจะเป็นพรหมหรือว่าเป็นอรหันของบุตรค ะ, ะถ้าสมมติพูดสิ่งที่เป็นเป็นเนหน้าที่ของมารดาบิดาซะก่อนนะ นะถ้าพูดถึงความเป็นหน้าที่ของมาราบิดาเนี่ยมาราบิดาเนี่ยเป็นพรมของลูกลพนะรมเนี่ยหมายถึงความที่ยิ่งใหญ่ความที่ยิ่งใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่เขาใช้คําว่าพรมนพะรมหมายถึงเวลาที่คุณต้องการจะไปพึ่งก็ได้เช่นว่าถ้าลูกถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยเจ็บตรงนั้นตรงนี้นะคนแรกที่จะคิดถึงเลยคือพ่อหรือแม่นะไม่คนใดคนหนึ่งวิ่งหาพ่อวิ่งหามแม่ก่อนนะลูกเด็กเล็กแดงเวลาหัวเข่าแตกหกลม้มวิ่งหาพ่อวิ่งหามแม่ก่อน นี่คือลักษณะของความเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นมาดาบิดาเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งของโลกแต่เป็นที่พึ่งแน่ น, นอนโดยพุทธพจน์เนี่ยพระรัชาตรัสเอาไว้เลยว่ามารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายแต่เพราะฉะนั้นบำรุงเลี้ยงด้วยอะไรบ้างด้วยเลือดที่ออกจากอกนั่นก็คือน้ํำนมบำรุงเลี้ยงด้วยการที่แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป็นเหมือนกับที่ที่จะต้องเป็นที่พึ่งเลยลูกไปทำอะไรไม่ดีมากอะไรต่างๆพ่อแม่ก็มีความรักความเมตตาให้ นะั่นคต้องมีพรมิหาร4ี่ละ่ะนั่นถึงจะปกครองดูแลกันได้ด้วยความเป็นปรบตรงนี้ทีนี้คําว่าอารหันต์หมายถึงอะไรนะตามความเข้าใจสัพท์พันที่2ที่โคนยมติวพูดถึงอรหันต์อรหันต์เนี่ยก็คือว่าเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสไนะกลจากกิเลสคําว่าอารหันต์เนี่ยก็คือคนที่จะเอารบให้แพ้ไม่ได้ปุ่นทะูที่ฆ่าศัตรูเรียบร้อยหมดแล้วนะซึ่งศัตรูในที่นี้ก็คือกิเลสนั่นเองนะเป็นผู้ไกลจากกิเลส เพราะฉะนั้นถ้าโดยสับเองเราจะบอกว่าถ้าพ่อแม่ยังมีกิเลสอยู่เราจะบอกว่าเป็นอรหันเนี่ยโดยเทคนิคแล้วมั น, มนไม่ได้นะไม่ได้ทีนี้คําพูดที่บอกว่าพ่อแม่เป็นเหมือนกับอรหันของลูกเนี่ยพระ อ, อรหันที่บ้านเนี่ยเขาเอามาจากตรงไหนนะคืออันนี้จะมาอนุมาณเอานะอนุมาณเอาเพราะว่าในข้อที่เป็นอนันตริยกรรมเราคิว่าทุกท่านคงจะทราบกันอยู่เช่นการฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหรัน์ การทำทรงให้แตกการทําพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดนะมีทั้งหมด5อย่างอันนี้เรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมคือต้องไปตกนรกอย่างเดียวนะฮะมักผลนิพพานบวชก็ไม่ได้แต่ถ้าใครทําอนันตริยกรรมนี้ซึ่งทําให้คนเขาดูดตามเกณฑ์คุณโยมตีลองนึกดูนะดูตา ม, มเกณฑ์ถ้าทำทรงให้แตกกันนี้ก็แย่ยไปก่อนนะทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดพระพุทธเจ้านี้ยิ่งใหญ่มากคงจะทําให้ตายไม่ได้แต่ทําให้ห่อเลือดนี้ก็บาปหนักแล้ว บ า, บาเท่ากับค่าพระอรหันต์บาปเท่ากับค่าพ่อบาปเท่ากับค่าแม่แสดงว่าถ้าค่าพ่อและแม่นี่ก็มีเท่ากับค่าพาาระอรหันต์ก็เลยทําให้คิดว่าพ่อกับแม่แล้วก็พระอาหารหันต์เนี่ยเป็นอย่างเดียวกันแต่จริงๆไม่ใช่ ต, ตรงเนี้คือปริมาณ<อ>บาป<อ>ที่ ม, <อ>มันมากขึ้นทาให้เลยเขาอนุมานกันว่าทั้งนั้นพ่อและแม่ก็คือพระอาหารหันต์เท่ากันแต่จริงๆไม่ใช่คิดคิดแบบโจทย์คณิตศาสตร์ใช่ใช่ใช่แก็คือมาถอดสมการอืว่า อันในเมื creator, ่อข่าพระอรหันต์กับข่าบิดามารดาเป็นโทษเขาเรียกอะไรครับกรรมหนักกรรมหนักพอๆกันอนันตริยกรรมเท่าๆกันใช่ก็เลยไปคิดว่างั้นพ่อแม่จึงเท่ากับเป็นพระอรหันต์แต่ว่าคุณสมบัตินี้ไม่เท่ากันแน่ไม่เท่ากันแน่นะคะแต่จริงๆแล้วไม่เท่าไม่เท่าะพระอรหันต์คือเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระบุรชาเคยพูดถึงคุณสมบัติของความที่จะพึ่งได้การที่จะพึ่งได้เช่น เคเปรียบเทียบกับเทวดาเวลาที่เขาไปรบกันเนี่ยถ้าเขาดูยอดธงของหัวหน้าของเขาคือท้าวสากัดเทวราชความที่สวรรค์พลันพึงความกลัวเนี่ยจะหายไปแต่ความกลัวจะหายไปแต่ว่าพระพุทธเาบอกอย่างนี้บอกว่าถึงแม้แต่ท้าวสากัดเทวราชเองนะผู้ที่ถ้ายังมีกิเลสเนี่ยเจอสิ่งอะไรที่น่ากลัวเใจก็ยังสันสนส่นสะเทือนสั่นสะท้านสั่นไหวจากสิ่งที่น่ากลัวที่เจอตรงนั้นแต่ถ้าจะเปรียบเทียบแล้ว สิ่งที่จะเอาเป็นที่พึ่งได้ที่เราดูแล้วพิจารณาแล้วจะไม่กลัวเนี่ยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไกลแล้วจากกิเลสสิ่งเหล่านี้เนีเจอกิเลสเจอกระแสะแห่งตัณหาที่ท่วมทับถาถามก็สามารถต้านทานได้เป็นที่พึ่งเป็นที่มั่นได้ตัวนี้จึงเป็นลักษณะของที่พึ่งที่ที่ถูกต้องแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่างมารดาบิดานะคับพระอาหารเนี่ยถ้าเจอสิ่งที่มันไม่น่าพอใจแล้ว กระเทือนใจหรือไม่นะพาาระอรหันก็จะไม่กระเทือนใจถ้าเปรียบเทียบกับมารดาปิดาทีนีพ้พอท่านพูดถึงพระรัตนตรัยที่จําแนกออกเป็นสามอย่างก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านก็บอกว่าถ้าพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถที่จะพึ่งได้มากกว่าเพราะว่าเป็นผู้ไกลาจากกิเลสคือเป็นพระอาราหันเนี่ยในส่วนของพระสงฆ์ดิฉันก็เลยเข้าใจว่า ในที่นี้ถ้าอาจารย์กำลังจะหมายถึงว่าไม่ใช่พระสงฆ์ที่ทั่วไปค่ะคําว่าสงฆ์เนี่ยหมายถึงหมู่หมู่ไหนก็ต้องหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนก็จะเป็นสาวสงสาวะว่ะสาวะกสังโขใช่ไหมค่ะหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของใครก็ต้องฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคแลเขาก็เลยใช้คําว่าพระกวาโตสาวกสังโขแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนธรรมดาธรรมดานยโยมติ๋วต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีด้วย แล้ก็จึงเป็นสุปฏิปันโนภะควโตสาวะกะสังโฆเพราะนั้นคำว่าปฏิบัติดีเนี่ยสุปฏิปันโนภะควโตสาวะกะสังโฆเนี่ยมูแห่งผู้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีคุณเอาอะไรมาวัดเรื่องปฏิบัตดิดีนะถ้าดีดี ด, ดีสุดๆเลยก็ต้องเป็นพระอรันนะดีธรรมดาธรรมดาในะที่พอจะพึ่งได้ต้องมีศีลในนะอย่างน้อยๆต้องมีศีลศีลที่สําหรับพระสงฆ์อย่างนี้แหละ หรือว่าถ้าเป็นคาวาสกับศีลห้าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้คือศีลในการปฏิบัตินั่นเองจึงเท่ากับว่าถ้าเป็นพระสุปฏิปันโนแล้วก็พระสุปฏิปันโนมีหลายระดับระดั บ, ดบ ใ, ใดก็ได้ถ้าเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลที่พระศ า, าสดาบัญญัติไว้ใช่นะคะท่านพิบูลคะ่ะถ้าเช่นนั้นดิฉันอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าที่ว่า บิดามารดาน่าจะเปรียบกับพรหมนะคะคะคุณสมบัติของพรหมเป็นเช่นไรคะกามาพรหมก็คือผู้ที่เป็นใหญ่คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นใหญ่จ น, นต้องมีคุณธรรมอยู่สี่อย่างเรียกว่าพรหมวิหารก็เรื่องอยู่ของพรหมพระพุทธเจ้าก็สอนไว้เรื่องของเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาสี่อย่างนี้นเป็นเรื่องอยู่ของพรหมแล้วก็คือถ้าเป็นพรหมจริงๆเนี่ย เขาก็ให้ได้ทุกคนมากไม่มีประมาณในจิตใจเป็นแบบนี้หมดแล้วถ้าเราจะเป็นเปรียบเทียบคือทําไมต้องเป็นเฉพาะลูกของเราทําไมต้องเป็นเฉพาะพ่อแม่ของเราเพราะว่าเขาให้เรื่องนี้ได้อย่างไม่มีประมาณแต่ถ้าคนอื่นก็อาจจะมีข้อจํากัดนะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณธรรมสี่อย่างเมตตาแต่เมตตามันก็จะหมายถึงความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้ให้คนคือลูกของเราเนี่ยมีความสุข น, นี้ต้องมี ส่วนความกรุณาก็คือหมายถึงความปรารถนาที่จะให้เขาต้องการพ้นจากความทุกข์แต่ถ้ามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องการให้เขาพ้นจากความทุกข์อันนี้เรียกว่าความกรุณาเช่นว่าถ้าเด็กมันไปทําไม่ดีมาติดยาเสพติดหรือว่าถูกชกหัวร้างข้างแตกมีปัญหาใดๆก็อยากให้เขาพ้นทุกข์ความที่ต้องการหรือจะช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยคือมาจากจิตที่มีความกรุณาข้อที่3คือมุทิตาหมายถึงความที่ยินดีกับความสําเร็จของเขา แตถ้าจิตใจเขาตั้งอยู่ได้ในสิ่งที่เป็นเป็นบุญนะเขาเลิกละเสียจากบาปได้เอายินดีด้วยนั่นก็คือมีความมุทิตาแตนะ่แล้วถ้าบอกว่ามันกู้ไม่ขึ้นเลยคนนี้แบบว่ามันไม่ดีมากๆแล้วนแทนที่จิตใจของเรามาจะมีความกังวลเศร้าโศกเอาเราก็อุเบกขาซะในะอุเบกขาซะตัว น, นี้คือส่วนที่4นะี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา4ส่วนค่ะก็เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ทั่วๆไปแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นธรรมชาติตอของสันทา ต, ตยาของความเป็นพ่อแม่ใช่ซึ่งคิดตามก็จริงนะคะที่ว่าท่านก็อยากจะให้เรามีความสุขเนี่โอ้โยิ่งทะลูกสมัยใหม่นะคะท่านค่ะ <laughs> โอ้ปลนเปลยกับสา ร, รพัดดังนั้นก็ลงมานั่งคลิดตามว่าเอะนโยบายที่ให้มีลูกน้อยถูกหรือผิดคือเหมือนกับพอมีลูกน้อยน้อยเนี่ยก็ทะนุถนอมแล้วก็เหมือนกับเป็นเทวดาของพ่อแม่เลยนะคะเป็นลักษณะว่าพ่อแม่เราแกฉันอะไรอย่างนี้นะ บางครั้งดูเหมือนกับว่าน่าเป็นห่วงนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของพ่อแม่ทําให้เป็นเช่นนั้นมีความเมตตาตัวนี้ก็จึงจึงต้องกลับมาดูที่หน้าที่ของบรรดาบิดาด้วยเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่มเติมนอกจากว่ามารดาบิดาคุณจะต้องเป็นพรมของลูกใช่ไหมมีคุณทํามสี่อย่างนี้แล้วแต่หน้าที่เป๊ะเลยของมารดาบิดาที่คุณไม่สามารถเลี่ยงได้เลยถ้าคุณคลอดลูกเพาะออกมาเนี่ยมันต้องติดมาด้วย นั่นคือให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกเสียจากบาปอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของบรรดาบิดาคนอื่นเนี่ยจะมอบให้คิดว่าเออให้คุณครูเขาไปสอนที่โรงเรียนนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคุณครูหน้าที่ของคุณครูเนี่ยคือคือให้ศึกษาศิลปวิทยาศึกษาศิลปวิทยาแบบคุณไปเรียนปฐมมัธยมหาวิทยาลัยใช่ไหมโอเคอันนี้บรรดาบิดาอาจจะไม่มีความรู้ตรงนี้ต้องส่งไปให้คุณครูสอนแต่จะไปคิดว่าคุณครูเนี่ยเขาจะมาสอนให้ลูกเราห้ามเสียจากบาป สอนให้ลูกเราตั้งอยู่ในความดีมันไม่ใช่หน้าที่เขาต้องเป็นหน้าที่ของมารดาบิดาเช่นว่าสมมติลูกจะไปคบเพื่อนชั่วมารดาบิดาต้องต้องรู้จักห้ามถ้าลูกจะไปเสียบเซติตอันนี้ต้องห้ามเขาเสียจากบาปสอนวิธีการในการที่จะให้เขาตั้งอยู่ในความดีเชักชวนไปเล่นกีฬามีกิจกรรมสันทนาการทําความศึกษาในเรื่องของการทําสมาธิบานรักษาศีลบ้านุณนี้ ให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปแล้วก็ต้องส่งเสียให้เรียนหนังสือก็คื อ, อให้ศึกษาศิลและบวิทยาอันนี้เป็นสามหน้าที่หลักๆเลยที่พ่อแม่นี่ต้องทําแน่นอนค่ะก็จึงควบคู่กับเรื่องของการที่เป็นพรหมของบุตรที่มีคุณธรรมเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาใช่สอนให้ลูกตั้งอยู่ในความดีคือผิดชอบชั่วดีเนี่ยควรจะเป็นหน้าที่เบื้องต้นของพ่อแม่แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องให้เขาร่ําเรียน ความรู้ต่างๆจะได้ช่วยตนเองได้ใช่เมียหนึ่งที่อาจมาต้องการจะเน้นตรงนี้คุณหยมติว๋วเก็บไว้เรื่องของอุเบกขาเนะเพราะว่าเห็นในปัจจุบันอยู่เยิ่มกันที่ว่าพ่อแม่ไม่สามารถวางอุเบกขาได้นะคือความความรักลูกนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะความรักลูกนี่ส่วนหนึ่งยังไงก็ต้องมีอันนี้คือเมตตาแต่ความกังวลนะความกังวลเนี่ยเป็นอกุศลธรรมนะไม่ควรจะต้องมีนะสิ่งที่จะห้ามใจของเราไม่ให้ไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศล นั่นคือเบรกเขาจึงเรียกว่าอุเบกขาคือหมายถึงว่าเบรกมันอยู่ที่ขาใช่ไหมเวลาเราขับรถอะ่ะ <laughs> มันก็เลยอันดาก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเอามาตั้งชื่อตรงนี้นะอุเบกขาแต่ <laughs> จริงๆอุเบกขาคือความวางเฉยค่ <c oughs> นะความวางเฉยในเรื่องที่มันจะไม่ดีไม่ดีที่มันจะมากระทบจิตใจเราแล้วทําให้เราเป๋ออกนอกทางเนี่ยเราต้องวางเฉย <c oughs> อย่าให้ใจเราเข้าไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุโสระตมอันนี้สําคัญค่ะนะคะแมท พอท่านอาจารย์พูดไปถึงตอนนี้ดิฉันสงสัยเลยท่านเปรียบเทียบอุเบกขานีนต้องมีติดเบรกที่ขาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องที่มันไม่ไมควรกังวลแล้วใช่ใช่เป็นอกักขุสนเหรอคะเป็นอักขุศลแน่นอนความกังวลความฟุ้งซ่านความคิดไปนั่นนี่เนะี่ยสิ่งนี้มันจะตามมาอีกเยอะแยะเช่นว่าก็ปรนเปรอลูกทุกอย่างนะ่ตามใจสปอยเขาเนี่ยไม่ไม่รู้จักตีลูกหรือไม่ว่า กลัวลูกจะเจ็บกลัวลูกจะกระเทือนใจก็เลยไม่ได้สอนให้เขาห้ามเสียจากบาปเนะ่ยเพราะว่ามีความความกังวลความกังวลตรงนี้มันจึงเป็นช่องทางให้หมานเข้าได้นะ่ย <Okay. S 1> ที่เอาก็ซื้อเนี่ยไอแพดหรือว่าอะไรที่มันจะให้ลูกเล่นแล้วมันก็มันเทิงใจไปไม่มากวนเราเอา่าที่ไหนได้มันเป็นช่องทางให้เขาเสียไปอีกเนี่หรือว่าไปกับเพื่อนชั่วอีกเนะี่ยซึ่งตรงเนี้ยคื อ, ค, อคือความที่ต้องเบรกสิของตัวเอง แตบางทีเราเสียใจเอาเราตีลูกอันนี้คุณก็ต้องอุเบกขาบ้างเพราะว่าเด็กบางทีมันก็จะต้องมีการสอนให้เขารู้จักจดจําบ้างอนะค่ ะ, ะอาจจะเป็นวิธีการที่อยู่ในกระบวนการสอนให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามเสียจากบาปถูกต้องอนนัีบางทีก็อยู่ที่ลูกไงว่าสอนด้วยวิธีละมุน ล, ละม่อมหรือว่าสอนด้วยวิธีรุนแรงแหรือว่าต้องสอนวิธีรวมกันนะคะคือบางทีมีการออกกฎระเบียบมาเลยอย่างเช่น เดเห็นบางสมัยเนี่ยก็มีการพูดถึงว่ายุคนี้มันจเจริญแล้วจะไปตีเด็กด้วยไมเรียวเนี่ยก็อาจาจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับว่าวิธีการที่เหมาะสม<ช>กับเด็กแต่ละคนเข า, าไม่ต้องถึงกับเด็กก็ได้เอาแค่ <ฮะ S 2> ผู้ใหญ่ธรรมดาเอาคนเราธรรมดาทั่วๆไปแต่คนเราธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยถ้าคุณทำความดีคุณก็จะต้องมีเขาเรียกว่า Reward กนะ็คือ<ฆ>ได้ผลประโยชน์อะไรสักอย่างอางหนึ่งเป็นเป็นสิ่งที่จูงใจชักชวนให้คุณได้กระทําถูกมหมแต่นี้<ฆ>คนบางคนไม่ได้ชักชวนหรือว่าถูกจูงใจด้วยลักษณะสิ่งที่เป็นเป็นผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะก็คือพูดง่ า, งงายๆก็คือว่าถ้าคุณทำำําความดีคุณได้ดีนะบางคนจิตใจไม่ได้น้อมไปดังนั้นบางคนจิตใจเนี่ยต้องลักษณะว่าถ้าคุณทําบาปนะคุณจะได้ชั่วนะต้องมีการมาตรการการลงโทษแต่ทนะําไมกฎหมายเขาจะต้องออกมาบอกว่าถ้าคุณ ขโมยของนะคุณต้องมีโทษติดคุกเท่านี้ถูกปรับเท่านี้อันนี้คือมาตรการในการลงโทษนะมาตรการในการลงโทษซึ่งมาตรการในการลงโทษต ร, ตรงนี้มันเป็นสําหรับคนที่ต้องกลัวแต่ก็เป็นคนประเภทที่สองที่ต้องใช้วิธีรุนแรงในการอบรมค่ ะ, ะมันก็มีคนประเภทนี้ค่ะท่านอาจารย์คะทีนี้เมื่อพูดถึงพรมโดยทั่วไปอาจจะไม่ได้ระบุว่าคุณสมบัติจะ มาสอดคล้องกับความเป็นบิดามารดาอย่างไรละแต่พูดถึงบทบาทของพรหมที่ได้พบในประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนะะี่ยค่ะเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระพุทธองค์ไหมคะได้ตรัสถึงไว้บ้างไหมคะอ๋อมีพระพุทธาบอกว่าพระองค์เนี่ยเคยไปเกิดเป็นพรหมเคยไปเกิดเป็นมหาพรหมทั้งชั้นที่เป็นรู ป, ปรพรหมทั้งชั้นที่เป็นอรู ป, ปรพรหมมีหมดเลยโดยเหตุของการไปตรงนั้นได้เพราะอะไร เพราะว่าเจริญพรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นโอค่ะเจริญครบทั้งสี่เลยไหมคะหรือว่าเลือก ใ, ในในในฉา <ใน S 2> ดก<ม>บางเรื่องก็พูดถึงกรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาแ ต, แต่แต่เรื่องที่บางเรื่องเล่าก็อธิบายละเอียดนี่ก็เรื่องของเมตตาอย่างเดียวค่ะทีนี้ในคําสอนของพระาศาสดาดิ๋ฉันก็เข้าใจว่ามีเรื่องของพรหมวิหารสี่เนี่ยอยู่ด้วยใช่ไหมคะบบใช่ใช่ใช่ท่านสอนอเกี่ยวกับอะไรลหรอคะถึงได้ ให้ตัดถึงธรรมะข้อนี้ให้เพราะว่าพวกพราหมเนี่ยเข้ามาถามวิธีการที่จะไปอยู่กับพร้อมเขาก็คิดว่าการที่ต้องใส่เครื่องบูชาใส่ชุดขาวทําผมเรียบแป้จุดเทียนสีนั้นจุดทูปสีนี้นี่แหละจะเป็นวิธีการที่จะอยู่กับพร้อมอันนี้เป็นวิธีการบูชาของพวก พ, พราม์เขาพวกพราม์เขาก็จะเป็น บุคคลที่ทําพิธีกรรมนะทําพิธีกรรม ม, นรรมันก็เรีว่าพิธีกรรมตรงนี้ปุ๊บปั๊บปั๊ บ, บทำอย่างนี้เนี่ยคุณไปอยู่กัรรบพรหมได้แต่พระพุทธเจ้าก็สอนว่ามันมันไม่ใช่อย่างนั้ น, นการที่จะไปอยู่เป็นพรหมได้ต้องมีพรหมิหารสี<อ>เมตตากรุณาบุิตาหรืออุเบกขาค่ะดังนั้นในความหมายพรหมที่พระศาสดาสอนไว้ก็ไม่ได้หมายถึงพระพรหมที่มีสีหน้าอย่างนั้นหรือยังไงคะอันนี้คือหมายถึง ความที่จะไปเป็นพรหมคือไปเป็นเทวดาชั้นพรหมเลยคือตายจากกายนี้ไปละกายนี้ไปไปเป็นพรหมแบบสี่หน้าอย่างนั้นด้วยคุณธรรมนี้ด้วยคุณธรรมนี้ทำไม่ได้ <4 S 2> ไปเส <4 S 2> ้นไหว้บูชาไม่ได้พัฒนาตนเองได้เลยไม่ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ต้อ ง, งปฏิบัติเมตตากราุณามุทิตาอุเบกขาตัาหาใช่ใช่แล้วก็ได้ตรัสสอนด้วยอย่างพวกเราเนี่ยอ่าถ้าดิฉันเป็นอผู้ที่ศรัทธาในพระศาสดา เดี๋ยจะเอาพรหมวิหารมาใช้ใช้ได้เพื่อประโยชน์สูงสุดถึงแค่ไหนคะนี่เป็นเป็นสิ่งที่มีคนมาถามพระพุทธเจ้าเหมือนคือตอนนั้นมีพระพระภิกษุเนี่ยเขาไปบิณฑบาตเขาก็เลยมันอย่างเช้าเกินไปเขาก็ไปนั่งอยู่ที่วิหารแห่งหนึ่งก็มีพวกพราหมณ์นี่แหละเขามาถามว่าเอ้คนหนึ่งเขาก็สอนเรื่องพรหมวิหารแล้วก็พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องพรหมวิหารสมณโคดมเนี่ยนะแล้วมันแตกต่างกันยังไง เขก็ถามพิกษุกลุ่มนี้พิกษุกลุ่มนี้ก็ตอบไม่ได้ทจนี้แต่ว่าก็จะไปมินาบาแลแหละก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากก็เลยมีความคิดว่ามีตบาดล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ตอบให้บอกว่าถ้าผมว่าคนที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆของคนอื่นเนี่ยเขาก็จะไปสุดอยู่แค่เป็นสวรรค์ชั้นพรมใช่ไหมคือเป็นพรมเป็นพรมที่เป็นเทวดาชั้นพรมแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปได้ถึงนิพพานนั้นเป็นยังไง นะมีที่สุดจบอยู่ที่นิพพานคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องของโพภมิหารต่อนเนื่องไปถึงการเจริญในลักษณะที่เป็นไปในลักษณะแบบโพชงนะโพชงหคือ ก, ก, การเจริญโพภมิหารในลักษณะที่อาศัยความวิเวกอาศัยความดับนะอาศัยความคลายกําหนัดแล้วก็น้อมไปเพื่อความปล่อยวางน้อมไปเพื่อความปล่อยวางสอนตรงนี้ด้วยซึ่งเนี่เป็นลักษณะการสอนของพระพุทธเจ้าที่พิเศษขึ้นกว่าที่คุนอื่นเขาสอน ทำให้สามารถเลยขึ้นไปถึงนิพพานได้คือเหมือนกับว่าหัวข้อเดียวกันแหละแต่วิธีการปฏิบัติแตกต่างกันใช่เพิ่มเติมขึ้นมาตรงส่วนท้ายๆตรงนั้นนะคะทีนี้ดิฉันก็เข้าใจว่าการจะไปนิพพานที่พระศาสดาสอนเนี่ยบอกว่าอริยมรรคมีองค์แปดถูกไหมคะการจะพ้นจากความทุกข์จะพอใจใช่ทีนี้ถ้าจะมาเปรียบเทียบกับการที่บอกว่าเจริญพรวิหารแล้วก็สามารถที่จะมีการ พัฒนาไปถึงจุดที่ท่านพูดถึงมีการดับมีการสละมีการปล่อยอะไรเนี่ยนะคะจนกระทั่งไปถึงนิพพานเนี่ยาสามารถพูดได้ในเรื่องอริยมรรคไหมคะแน่นอนเพราะว่าจิตใจที่มีเมตตากรุณาปฏิตายุไบขาเนี่ยมันจะไปคิดเรื่องที่เป็นการพยาบาติไปเบียนไม่ได้เลย น, น, นั่ น, นคือสามาสังกัปป ะ, ะ, ปะถูกต้องถูกต้องแล้วเวลากายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนโกรรมนะที่อาศัยสี่อย่างนี้ที่อาศัยพรหมิหารเนี่ย ก็ต้องเป็นกายกรรมที่เป็นไปเพื่อความเม <denly S 1> ตตาแนววจีกรรมที่เป็นไปเพื่อความเมตตาอย่างนี้อยู่ละมันก็จะไม่ได้พูดโกหกไม่ได้ขโมยของแน่แนก็กายวาจาใจบริสุทธิ์ละไปได้แล้ว<ะ>สมมาวาจาสมมากรรมันตะสมมาอาชีวะรวมอย่างนี้เลยไหมคะถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วก็เวลาที่จิตมีอะไรมากระทบนะมีจิตอะไรมากระทบแล้วเรานิ่งเฉยอยู่ได้ความนิ่งเฉยตรงนี้เป็นอุเบกขานวเป็นอุเบกขาในปรมวิหารเป็นอุเบกขาในโพชฌง อุเบกขาตรงนี้เป็นการบอกระดับของความสุขในภายในซึ่งเป็นตัวบ่งบอกระดับของสมาธินี่ก็เป็น oh. สัมมาสมาธิล่ ะ, ะก็ยังขาดสัมมาสติกับสัมมาวายามะนะค ะ, ะคื อ, อาการที่เราระลึกถึงอยู่ได้ว่าเราจะต้องมีคุณธรรมตรงนี้่ไม่เอาจิตออกไปจา ก, ากไปเรื่องที่เป็นอกุศลในะการระลึกได้ตรงนี้ก็เป็นสัมมาสตินะคือคการระลึกชอบนะแน่นอนถ้าบอกว่าเราทรงคุณธรรมตรงนี้ไว้ได้กุศลธรรมรเรามี อกุศลธรรมเราไม่เกิดการที่กุศลธรรมมีและอกุศลธรรมไม่เกิดเนี่ยอันนี้คือสัมมาวยมายามะค่ะ <c> ด <oughs> ิฉันก็ถามท่านสรุปแล้วรายการนี้พูดถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้อยู่ในแป๊บเดียวเลยนะคะเนี่ยใช่ <c oughs> นะคะก็เวลาพอสมควรนะคะสําหรับวันนี้ใช่ค่ะคุต้องนมำส ก, การขอบพระคุณท่านไพรียบไปแต่เพียงเท่า น, นี้ก่อนนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะใช่คานค่ะ <c oughs> ท่านฟังที่ครบค่ะวันนี้นะคะตั้งประเด็นถามว่า มารดาบิดาในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะเปรียบเทียบ ว, ว่าเป็นพรหมหรือว่าเป็นอรหันต์ของบุตรท่านเปโบนก็สรุปนะคะว่าต้องสรุปว่าเป็นพรหมของบุตรเพราะประกอบไปด้วยคุณธรรม4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่าให้ลูกมีความสุขอย่าให้พ้นทุกพลอยยินดีกับความสุขของลูกแล้วก็วางเฉยในเรื่องที่ควรวางเฉยนะคะโดยที่จะต้องประกอบไปด้วยหน้าที่ของบิดามารดา ที่ต้องมีต่อ บ, บทคือให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกเสดจักบาปส่งเสียให้ลูกศึกษาศิลปะวิทยาและการมีอุเบกขาของพ่อแม่นั้นกําลังจะบอกว่าท่านจะได้ไม่ทําในสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะความกังวลต่างๆที่ทําให้เราอุเบกขาไม่ได้นะ่ะมันเป็นอกุศลไม่ควรที่จะปล่อยให้มีก็เลยได้ความรู้งอกเงยขึ้นไปอีกเลยนะคะ ว่าเรื่องของพรหมวิหารนั้นจริงๆแล้วในศาสนาอื่นเขาก็มีแต่ดำเนินวิธีการแตกต่างกันไหววอนเพื่อที่อยากจะให้ได้เป็นพระพรหมมีกันเส้นไหว้ต่างๆแต่พระศ า, าสดาของเรานั้นบอกว่าถ้าจเจริญพรหมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยทำให้ถูกต้องมีสิทธิ์ที่จะพ้นทุกข์เกี่ยนสูงสุดคือไปถึงนิพพานแล้วก็เกิดข้อสงสัยกันมาว่า เอกพระพุทธองค์บอกว่ามีทางสายเดียวเท่านั้นคืออริยามรรคมีองค์แปดที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหรือนิพพานได้ท่านพิบูรณ์ก็เลยอธิบายให้ฟังว่าพรมวิหารทั้งหลายเนี่ยนะคะเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวคืออริยามรรคมีองค์แปดอย่างไรบ้างท่านได้ในเวลาระยะอันสั้นเลยนะคะที่จะเข้าใจธรรมะ สูงสุดของพระศ า, าสดานี่คือรายการสันสนีสนทนาดิฉันสันสนีน้าพพงดำเนินรายการนะคะเรามารับฟังกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106ค่ะพุทว่สวัสดีค่ะ